นั้นผลจึงแค่ความระงับเท่า น, นั้นครับไม่สามารถเข้าใจสภาวะทั้งหมดได้ในการเข้าใจสภาวะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคลิปตารับไม่อาจเกิดด้วยการพิจารณาเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเคสเป็นกรณีได้ครับทีนี้ในวงการวิทยาศาสต ร, ร์รู้กันแล้วครับว่าศาสตร์แขนงต่างๆในวงการวิชากา ร, ร, รนั้นบกพร่องอตรงนี้ครับคือมันศึกษาเป็นกรณีเกินไปแยกแยะรู้จริงรู้ลึกในเรื่องเดียว สิ่งสําคัญคือสภาวะธรรมนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันได้อย่างไรสิงหนึ่งแต่ความรู้ที่เกิดกับพระพุทธองค์หรือผู้รู้นั้นเกิดจากการตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากการคิดสะสมข้อรู้นะโดยวิธีตรกกะหรืออนาลิติกภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้นะครับซึ่งนักพิจ า, ารณาถนัดที่สะใช้ลองยื่นเรื่องหนึ่งให้กับนักพิจ า, าราเขาจะคิดออกมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวแต่า ก, การศึกษาเป็นกรณีครับถ้าทําอย่างนี้นะอย่างดีที่สุดก็กลายเป็นจิตวิทยาเท่านั้น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 คนก่อนหน้าพุทธกาลนี่เขาก็ปฏิบัติกันอยู่นะแต่วันที่พระเจ้าประสงค์ยานที่เรียกว่ายานเดียวนะครับภายช่วขณะติตเดียว น, นี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับพวกเราส่วนใหญ่ผ่านโรงเรียนหรือระดับมหลาลัยมาบ้างแล้วนะครับเราถนัดการสะสมข้อรู้เราเรียนรู้แบบสังสมสัฟฟอร์มมีท้ายคำแกรดดวลคือพัฒนาทีละขั้นทีละตอนเหมือนว่าชั้นป .1 ป .2 ป .4 ก็รู้รู้มากกว่าป .1 ปีเท่าอะไรเงี้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 คนที่บวชใหม่นะครับท่านสังพระริยยกไวยหลางเตือนพระภิก ษ, ษุลูกศิษย์ท่านว่าถ้าเธอผู้เดินทางทางนี้แล้วเนี่ยอย ม, มินคนมาใหม่กันยครับคิดว่าโอ้นี่เพิ่งเรียนชั้นประถมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเด็กบางคนโดยธรรมชาติของเขาหรือว่ามองง่าีรีลับผ่านทางพบชาติก็ได้นะครับ mm. เด็กบางคนเกิดมามีอารมณ์น้อยจิตใจดีงามนะมีสติเยียยน ล้วอธิบายยังไงครับดังนั้นอันดาลิติกการคิดแบบแยกแยะไม่พอครับเหมือนพอสำหรับระ ง, งับเหตุเป็นกรณีกรณีไปเช่นพลังจิตตกเสริมสร้างขึ้นมาติดในการราคะเอาอสุภะเข้ามาช่วยใช้ได้ครับศึกษากรณีใช้ได้แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การรู้ สภาวธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในชั่วขณะจิตเดียวได้โดยหลับชั้นสูงแล้วนะอริยสัตตินั้นผู้ที่บรรลุอริยสัตติเห็นเนี่ยหือไม่เห็นภายในจิตเดีย ว, วยครับลองไปค้นดูถ้าเชื่อมั่นในตํารานะมผมคิดว่าสิ่งนี้แม้ไม่อิงบนตํารานะครับ<ม>คนผู้ไม่รู้มีความรู้อะไรเลยเป็นชาวไร่าชาวสวนสามารถเข้าใจชีวิตได้เหนือกว่ารัฐมนตรีคนมันนอกพอกนาเนี่ยครับเพราะว่าจิต เป็นธรรมชาติเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาธรรมชาติวิงจิตนั้นเป็นธาตรู้จะให้มันรู้เรื่องอื่นไม่ได้ครับเช่นไปรู้ความสงบมันก็สยบอยู่ภายใต้บรรยากาศความสงบฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกให้มันสงบหรือไม่ได้ฝึกให้มันหายร่องหวนหายตัวมีพลังในนั้นเป็นนอกแนวพุทธศาสนาครับเราฝึกจิตให้มันรู้ครับเพราะมันเป็นธาตรู้ดังนั้นมันจะรู้ตัวมันได้จากการรู้จะนําไปสู่การเห็น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 แต่ความรู้ตัวเป็นฐานที่ก้าวไปสู่มันเหมือนการตกผลึกทางปัญญาครับความรู้สึกตัวสดๆที่พูดถึงนั้นมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายตัวมันจะเดินทางครับมันค่อยๆรู้เบาขึ้นเบาขึ้นกลายเป็นรู้ล้วนๆครับกลายเป็นรู้ตัวล้วนๆแล้วก็รู้ล้วนๆทุวนๆครับตรงนี้ที่สอดครองนละที่พระา ย, ยะได้รับคำสอนว่าเมื่อใดเธอรู้สักแต่รู้คำว่าสักแต่ปแปลว่ารู้ล้ ว, วนๆครับ ไม่มีอะไรเจือพนเลยธาตุแท้ของมนุษย์จิตใจของมนุษย์มีธาตุรู้เป็นแก้วประจำประจำใจของเราคนระัทิเดตจะมีบทมนตราที่สําคัญไหมครับโอมมณีปัตเมหูขอน้อมน้อมแต่ดวงมณีที่อยู่ในดอกโบห์ใจของเราเป็นถ้ทศคาําที่จงและลึกซึ้งมากนะครับแต่แม้กระนั้นชาวทิเบตก็งงงา่ายเอามาใเป็นเวทมนต์คาถากันสีกันสางไว้ตามเรื่องครับไอ้นั้นอันี้อีกเรื่อง การภาวนาในที่สุดนะครับในช่วงหลังนี้ผมอยากจะประมวลสรุปว่าคือการเคาะประตูใจการไขความลับทางจิตใจแล่ความลั บ, ลลบนั้นถูกข่อหุ้มไ้ด้วยกระแสความคิดซึ่งหลายกระแสเหมือนกับว่ากระเทียมหรือหอมนะครับหรือกาบกล้วยเพราะความคิดเป็นสังขารัน้นมันเมื่อเราเปิดชั้นหนึ่งเจออีกชั้นหนึ่งครับเมื่อเราภาวนาไปดีด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 มันก็ออมาเหมือนแพทย์ก่อนหน้าที่หลุยปาสเตอร์จะพบเรื่องต่างๆนะฮะหลอดลิสเตอร์ที่จะพบกล้องจุลทรรศน์ที่ดูเขาก็ไม่คิดว่ามีเชื้อโรคแต่พอพบหรือประดิษฐกล้องจุลทรรศน์แล้วอย่างโอ้โหที่ว่าไม่มีนั้นยั่เ ย, ย่เลยครับพอเราเริ่มต้นเดินทางไกลในในทางวิปัสนาเราเริ่มเผชิญหน้ากับตัวเองครับไม่ใช่ไปหาคุูบาอาจรย์หาครูบาอาจารย์นั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกครับ แต่จุดเริ่มต้นจริงคือเผชิญหน้าตัวเองอาจจะต้องตั้งคำถามแต่ยานานนักครับเมื่อความหวังวาดโครงการวาดได้ก็แต่ยานานนะัมันจะเสียแรงเปล่าตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงเป็นธาตความคิดมันเริ่มระดมสังเกตเข้าไปข้างใแต่ในขณะนั้นความคิดก็ยังตอบโต้แต่เราอย่างรุนแรง ถ้าไม่ถอยผมใช้คํานี้นะครับถ้าเอาชีวิตเดเดิมพันคำว่าเป็นเดิมพันไม่ใช่เป็นตะโกนหัวออกบวชนะครับผมขอโทษด้วยที่พูดตรงๆนะคาว่าเดิมพันคือเอาความจริงใจครับมาเป็นต้นทุนเลยคนระับคือเราปรารถนาจะคนทุกข์คำถามถัดมาคือเราอยากคนทุกข์จริงหรือเปล่าศาสนาของพระเจา้านี่ท้าทายคนอยากคนทุกข์นะแต่ไม่ไม่เล่นด้วยคนอยากมีนิดเลย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 เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกา ร, รมลพเรื่องอะไรก็ก็เห็นเห็นแล้ ว, ว่มันแม้มันไม่เหลวแหลกแต่มันกม็มีสาระอะไรที่เราต้องการเป็นจริงๆมันบำบัดความกระหายความอยากได้ช่วคู่ช่วยหยามแล้วก็เพิ่มความหื่นกระหายหนักข้อทุกทีเราเริ่มรู้มันแล้วเราเริ่มจับมันได้แล้วครับถ้าอย่างนั้นจุดเริ่มต้นใหม่มีอยู่ครับเ ร, เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวสดสด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 อย่าทำเล่นกันคำาำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเราใช้คานี้กันจนเนื้อหาหรือความหมายป่อนถึงแล้วแต่เมื่อมันปรากฏอาการจริงนี่มันคือพลังที่กําจัดทุกโศกทั้งปวงนะครับมันไม่ใช่นมลที่จะคุ้มครองจำเป็นมากกว่านั้นครับมันเป็นเหมือนที่อาจารย์รุ่นโบราณเขา อ, อุปมาเหมือนเรือนแก้วก็เห็นไหมครับโศกทิขระ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 ช่วยแนะให้ผมผล้นโศกนะช่วยเอาไม้เข ก, กบาลสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล้วไหลครับแต่ว่ามันยังไงพูดยังไงครับไม่ไม่คือดีนะครับเป็นการช่วงจาบแต่ถ้าเราต้องการสาระแล้วนั้นเป็นเรื่องเด็กๆครับผมมองอย่างนั้นเนะผมว่าผู้ติกรรมอย่างนั้นท่านก็หวังดีแต่ว่ามันไกลมากครับไกลจากจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าถึงก็เป็นสิ่งเดียวกับเจตจำนงของใจเราอยู่แล้ว แต่เราไม่กล้าเราลังเลดังนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งในการเจริญภาวนาคือความกล้าครับกล้าที่เดินน้อย ม, มีอะไรเลยครับ <c oughs> กล้าที่มีชีวิตยอยู่โดยที่เอาตัวมันเองเป็นเดิมพันในตัวเองครับดังนั้นในแง่ดีแง่หนึ่งขอการออกบวชก็คือง่ายขึ้นครับมีคำพูดว่าปฏิบัติทาง่ายที่สุดกินในวัดยากที่สุดกในบ้าน แต่ว่ามีบางคนมีอยู่ในใจชอบท้าทายนะยิ่งยากยิ่งดีได้ลองกันสักตั้งหน่งหมว่าอย่างนั้นฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะ้ำในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าขนาดกาลังนั่งบนโซวมนอนอบนเตียงหรือถูกพื้นล้างจานอยู่ถ้าว่าระบบการดำรงอยู่วันต่อวันเราได้เคลื่อนย้ายจากระบบตากะระบบตรึกระบบคิด คนในหัวสมองเรามาสู่ระบบสัมผัสอาจจะสัมผัสเป็นกรณีอยู่เช่นมือโดนน้าเย็นๆนะครับหรือลมพัดวู้มมาหรืออากาศร้อนหรือเสื้อผ้าที่สัมผัสเราเคลื่อนการก็สัมผัสขึ้นมานถ้าว่าเกิดการเคลื่อนย้ายสมบริดีมาอยู่ที่ระบบสัมผัสนี้แล้วนะครับชื่อว่าเรากำลังออกติดตามรอยฝาพระบาทของพระพุทธองค์ไปติดๆครับผมคิดว่านี่เป็นบุญกุศล บุญกุศนี้ไม่ต้องการคํารับรองจากพระหรือจากใครเพียงนั้นเอง ย, ยินเท่าคำนี้นะครับคนโบรานผู้เราเป็นบุญตัวเนี่ผมอมายุมากคอที่รับฟังคันคนโบาราณก็อาบน้ําที่บอ่อน้ําวัดเขาก็เอาผ้ากามาที่บิดแห้งแล้วฟาดในแห้งเปลี่ยงเออเป็นบุญตัวจริงๆคืเขารู้สึกตัวขึ้นมานะครับร่างกายนี้เป็นแหล่งบุญอย่าไปทําลายมันมันจะกลายเป็นบ่อกครับข อ, ขออุติ่เท่านี้ครับถ้ามีคําถามก็ได้ นะครับมีคําถามมามายได้ความเพื่อนได้ความรู้แสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้ชาร์จอะไรก็จึงเรื่องผู้ที่พยายามมีมุ่งเน้นแตความคิดเนี่ยว่าไม่คิดปัญญาถึงความไม่คิดเนี่ยเป็นความสุขบางครั้งคนที่ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยเป็นคนที่คิดมากที่สดกลายเ็นคนที่คิดมากคือแสวงห า, ท, างทํำยังไงถึงไม่คิดก็จึงเรื่องปริยัติบัญญัตินั้นนะฮะ มันก็คงจะเข้าใจแล้วมันก็หาความพอเป็นมะม่วงได้ที ง, งไหนแต่ท่านนึกถึงเด็กกับผู้ใหญ่จะถามว่าใครเนี่ยรู้จริงกว่กันแล้วก็อาจจะพูดว่าผู้ใหญ่เนี่ยรู้เพราะไปปลูกแล้วมันก็เป็นต้วนวัสต้นไม้ต้นมะม่วงขึ้นต้นใจขึ้นมาแต่คนที่พูดจริงนี่จะคือเด็กขณะนั้นรู้จริงนี่สุด ถ, ถ้าไปคิดถึงว่าตอนอ น, นาคตเนี่ยมันยังไม่จริงผู้ใหญ่นั้นวิญญาณที่ยังไม่เป็นความจริงแต่พูดเรื่องจริงพูดถึงสิ่งที่มันจะเป็นจริงแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จริง มันก็พูดลําบากนี่วัน้นเรียนปริยัติเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยคือเสกขาดบุคคลพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องเรียนและไม่ต้องรู้ไม่อะไรเลยเพิ่มเมเรียนปริยัติบำบ ร, รรยายปริยัติก็เพื่อให้คนฟังปริยัติเนี่ยทิ้งปริยัติให้เขารู้ปารมัตเพื่อให้เขาทิ้งปารมัตให้เขารู้สัจจะให้ทิ้งสัจจะนะครับมันก็ของจะต่างกับคนที่เรียนมา เพราะฉะนนถ้าเรียนปริยัตเราจะเห็นว่าเรียนไปเรียนมาเนี่ยมันติดปริยัตก็เป็นเหยื่อของคนที่ไม่ได้เรียนปริญัติเป็นอันมานะครับเพราะตัวเองคงจะไม่ได้เรียนธํานองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วองใตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีอะไรทางนั้นนะฮะถ้าว่าเรามาเอ่อเรามีเราเรารู้เราเห็นถ้าเรายังมีเรานี่มันบัญญัตินี่เราตัดไปแล้วก็เหลือแต่รู้แต่ความจริงรู้นั่นแหละก็ไม่มีเจ้าคำที่บอกว่ามีเหมือนไม่มีอันนี้ถูก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 ตอนที่ผมมีก็บอกว่าไม่มีอะบอกว่ามันไม่ได้นะฮะไม่ต้องว่ามันไม่มีขณะที่ถึงความไม่มีมันดับไปก็ผมกมันไม่มีแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีนะมันไม่มีตอนเนี้ยมันไม่มีนี่คือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องรู้รู้ตอนนี้ขนาดนี่มันเป็นจริงจแต่ท่านบอกว่าไม่มีไปรู้ต้องไม่มีเนี่ยแล้วบอกว่าทันทีมันมีนะนี่คิดกับไปคิดอดีตว่ามันเคยมีแต่มันก็เป็นสัจจานทรยดีแต่ถ้ารู้แต่ไม่คิดอะไรไม่ต้องอะไรนะฮะนี้ก็มีตอนเนี้ยมี เสียงมีการพูดนีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ก็รู้เนี่ยคือรู้แต่ไม่ต้องคิดแต่ความว่คิดเนีนภาษาไทยอาจารย์พิจารณาอย่างที่ว่าความจริงตัวอนุแจงทุกขังที่บอกมหายานว่าเออเนี่ยมันเป็นคําพูดนะพระเจ้าบัญญัติถ้าเห็นจริงจริงน่ยไม่ต้องพูดถึงอนุแจังทุกขังันท์เห็นแต่เกิดและดับมีแล้ไม่มีมีไม่มีถ้ามีแต่มันขึ้นมาใหม่เราเป็นปัจจุบันไม่ใช่มีของอันแรกนะฮะตอนนี้มีอัดับแล้วไม่มีเห็นแค่มีกับ แต่พิจารณาว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรผู้ใจเห็นประโยชน์ว่าแต่เห็นว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ตั้จริงเนี่ยนี่เราไม่มีมันตั้งมาอยู่เป็นทุกข์เป็นโทษแล้วทำไงอ่ะไม่ควยึดถือเลยจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายรู้ว่นมีแต่ตัวรู้และวางเฉยในความรู้ไม่มีสมมุติไม่มีปัจจรมัดแม้แต่ตัวรู้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระด้วยเพราะมักกระทั่งเดียวก็ดับไม่มีอะไรเลย ทีไม่ต้องพูดอะไรนะฮะไม่ต้องมันเป็นคนไปผููรู้ได้ใช่ไหมฮะจริงๆตอนนั้นก็รู้มันก็สงบตอนนั้นไม่มีบัญญตัติไม่มีปรมามัท่ามาอยู่ในอารมณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่จะพูดอะไรว่าถึงตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่ผมว่าผมเห็นว่านี่เห็นไหมฮะเห็นแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็คือที่เรานี่ครับเห็นครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยมือ ุบาสกคนหนึ่งนะครับเจ็บป่วยุบาสกคนนั้นเป็นเป็นผู้รู้ธรรมะผเจ้าส่งสาวกไปเยี่ยมแต่ละองค์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่สามารถประการลมูุบาสกคนนั้นได้เลยตอนนน์ก็ไม่กล่าวสารทีบุตรว่านี่เป็นคำพีหวานมาใหญวิ ม, มลเกียรติเท่สุดผมชอบมากๆในที่สุดก็มาถึงโอโลเตส่วน หรือมันจุสีผมจำให้แม่นนะก็โตรธรรมะกันในเรื่องปรมาทิตเรื่องสมมติอะไรเหล่านีา้ในสุดวิมลเกียรติพระราชทานให้พูดเรื่องพระนิพพานพระโพิสัตถ์ก็บอกว่าพระนิพพานนั้นพูดไม่ได้แต่ถึงตาวิมลเกียรติวิมลเกียรติลูกยังง้หุบปากนิ่งคร พูดไม่ได้ก็ไม่พูดหูปากนิ่งนะะนั้นมีคำกล่าวในการเผยแผ่ธรรมะชั้นสุดยอดจริงครับ <s> เผยแผร่โดยการไม่พูดซึ่งความดูแล้วมันมันค่ายเดรั ว, วาซึ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับโบหารเช่นนี้นะครับเราอาศัยแจกแจงเป็นสมมติเป็นปรมามณ์เพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นครับย้อนไปจริงนะ เมื่อสมัยที่พระเจ้าสวนทางอุปการชีวบนะครับท่านสอนครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ล้มเหลวท่านเห็นด้วยผมต้งขอโทษด้วยที่ว่าพระเจ้าก็ล้มเหลวได้เหมือนกันเพราะไม่มีสมมติเลยดนะังนั้นท่านบอกตรงๆว่าท่านคือพุทธะท่านบอกภาวะจริงๆนี่ฟังแต่ผู้ฟังไม่พร้อมที่จะรับครับ mm hmm. เขาก็จะว่าร่างกายหน้าตาแล้วก็จะท่านอวดอวดภูมิด้วยท่านบอกสภาวะอะไรบางอย่างซึ่ง ผมเชื่อต่อจากนั้นพระเจ้าท่านเริ่มลําดับสมมุติสัจจะขึ้นมาเพื่อให้ไต่เต้าไปเพื่อล่อดวงจิตให้ไต่ขึ้นไปที่นิดทีนี้แล้วเพื่อไปรู้เองครับนั้นสมมุติก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับพุทธศาสนาแบ่งสัจจะไว้2 ส, สมมติสัจจะและประมาสุทธิสัจจะปรมาสุิสัจจานั้นเป็นสิ่งที่เป็นจัดปัดจจังที่เข้าถึงด้วยตัวงตัวเอง แต่สมมตินั้นมีคนนำทางได้ครับ เ, เช่นสมมติเรื่องขันห้าบางคนอนจาจจะค้านนะครับว่าขันห้านี่เป็นประมัดจริงขันห้าเป็นเกณฑ์ที่พิจารณาวางขึ้นนะครับเปรียบเหมือนเสนลุงเช่นแหวงซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกนี้แต่ถ้าเรือลาหนึ่งเอออับปางขึ้นมาก็าสามารถทรงข่าวตำแหน่งแห่งคนนั้นได้และจะช่วยทันไม่ทันเรือจมหรืออัปางลง สมมุตินั้นมีประโยชน์มหาศา ล, ลนะนะเส้นลุงเส้นแหวงทั้งๆจริงๆมันไม่มีในโลกนี้ครับสมมุติขันห้าเหมือนกันนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตกเสียงกันว่ารูปขอบเขตตันเพียงใดท่างกายนี้หรือไม่คําำยามของท่านคือสิ่งที่เห็นด้วยจับจุ๊ดพระทิศนี่ครับคือรูปอาคารน้ำเรือนร่างของมนุษย์คือจักรวาลทั้งหมดครับนี่มียามที่กว้างใหญ่โตมโหฬาร ธาดินน้ำไฟลมในตัวเราไม่ได้แยกจากโลกและเทหวัตถุในจักรวาล น, นี้เลยเวทนาสัญญาสังขามยัญญานะยครับพูดไปแล้วขันห้าคือจักรวาลทั้งหมดนะโดยการแบ่งนิยามนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนเริ่มไต่าทางความคิดไปท่านแบ่งเป็นขันห้าเพื่อพิจารณาลูกไม่มีตัวตนนะลูกกษัตริย์แต่ลูกเนะเวทนา <c oughs> ก็อรหันก็ไม่มีในเวทนานะ เวทนาก็ไม่เป็นอาหารหันนะท่านแจกขึ้นมาเพื่อที้ไม่มีตัวตนอยู่อย่างไรเท่านั้นนะครับเปรียบเสมือนการเอาแหไปทอดเพื่อจับปลาพอได้ปลาแล้วเราแกงปลาเราคงไม่แกงแหแน่ังนั้นการที่พูดกันว่าขันห้าคืออะไรถกเสียงทางวิชาการเสียเวลาเปล่านะสิ่งสำคัญคือบางครั้งในเรื่องปฏิจจ ա สมบบาธ ท, ท่านจักทั้งสิบสองหรือสิบเอ็ดห่วงโซ่นะ บางครั้งสามบางครั้งสองปัญหาเนหะมัอนกับปลาทานพอละรู้เท่านี้พอรู้ว่าสิ่งต่างนมันมันยิงอยู่กันอย่างไรทั้งที่พระครเจ้ามีทั้งสิ่งที่สอนตรงๆอย่างง่ายดายนะครับและสลับซับซ้อนมันขึ้นกับจริตนิสัยของผู้เรียนด้วยคนบางคนถ้าไม่เรียนทางปริยัติมาก่อนศรัทธาก็ไม่เกิดในทางภาวนาแต่เมื่อได้ยินได้ฟังความลุ่มลึกทางปัญญาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติได้ คนเป็นคนพร้อมอยู่แล้วครั บ, รบมีความทุกข์ยากคนชี้ทางเลือกให้ก็เอาเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความหลากหลายอันนี้นะครับนั้นเราไม่ควรประนามมหายาหรอวาเป็นพวกนอกรีบนอกร้อยผมแต่ก่อนคิดอย่างนั้นจริงนะเดือนนี้ไม่เลยครับพูดเดินใจจริงว่าพุทธศสนาคือหัวใจดวงยกที่เป็นลูกหัวใจนะมันแตกออกเป็นสองเสียงสอเมื่อ น, นํามาประกอบกันแล้วเขาเมื่อนานนั้นเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไร อย่โทษอาจารย์มาหายานที่แต่งพระสูตรขึ้นใหม่บางพระสูตรลังกาอัตตาสูตรแต่งใหพระพุทธเจ้าสเสด็จไปกรุงลงกาไปถกปัญหากับทศกัณเลยครับฟังดูเราสะดุ้งเฮือกเอ๊ะเอากันถึงขนาดนั้นเชียวเลยเราจะตกใจต่อวิธีทางอันนี้นะครับลงอ่านข้อความดูเฉพาะว่าโอ้โหคาถามที่ทศกาณถามพระเจ้าในลึกครึ้งนั้นเลยครับถึงแก่นทั้ง น, นั้นเลยครับลังกาอัตตาสูตรผมผมเรียกร้องใ ห, ให้ให้ความเป็นธรรมแกมหายานนะครับ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 กับคู่ครองของตัวนะยากที่จะหย่าร้านะครับรักกันมาตั้งหลายสิบชาติ้มันจะมันแยกง่ายๆได้หรือครั้งหนึ่งพลังความเชื่อนี้นะครับเคยําจุนวิถีชีวิตแบบไทยๆมานานแต่มาถึงสมัยนี้เราถูกท้าทายแล้วครับถูกท้าทายจากผู้ที่ต้องการเหตุผลด้านอนาลิติกการคิดเชองเหตุผลถ่ายเดียวจริงๆนั้นมีสองสิ่งนะครับสิ่งที่พึงเชื่อวัตถุที่ตั้งของความเชื่อ แตกต่าวัตถุที่ตั้งความจริงบางครั้งมนุษย์เรามาเข้าตาจนเข้าใจความจริงไม่ได้เรายังเชื่ อ, อได้เลยครับ <S <S ผมเชื่อพระเจ้าตรัสรู้จริงช่วยไม่ได้ที่ผมเชื่ออย่างนั้นตามวาเหตุผลอะไรผมเชื่อผมตอบไม่ได้แต่ผมโน้มใจเชื่อนี่ดูจะคล้ายไรเหตุผลแต่มันมันเป็นความเชื่อเป็นวัตถุที่ตั้งความเชื่อนะครับเรีย matter of belief ผมอยากจะเชื่อพ่อแม่รักเราจริง ใครพิสูจน์ด้ไม่จริงนะฉันเห็นตอนเธอเด็กๆเขาไม่ได้รักเธอเลยผมไม่เชื่อผมเลือกเชื่อด้วยนะผมเลือกที่จะเชื่อด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเชือ่อทุกสิ่งทุกอย่างไปผมเชือ่อพระเจ้าสับจรู้จริงทั้งๆหาเหตผลอื่นไม่ได้นะครับแต่ผลของผมมีอยู่ตรงที่ว่าเมื่อวิเคราะห์ดูคําสอนแล้วบริสุทธิ์เจตน า, นานดีต่อมนุษย์เมื่อท่านถูกถามว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูหรือคำว่าสัพพัญยูนะครับ ในอินเดียครั้งโ น, น้นถ้าถามตนี้เป็นคําเดียวคําถามว่าคุณเป็นพระเจ้าเล ย, เยรู้ทุกสิ่งทุกขณะพระเจ้าบอกปลา่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูซึ่งฟังแปลกแปลกหูนะครับเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรียบลงท่านเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัพพัญญูแต่พระองค์ท่านกลับปฏิเสธขรมผู้ถามยังเข้าขั้นท่านเองนะก็ย้อนถามก็แล้วเมื่อถูกถามปัญหา ท, ทําไมพระองค์ท่านตอบได้ราวกับรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เจ้าเปล่าเนื้อนอธิบายจิตท่านบริสุทธิ์กระสุกถามปัญหาก็โน้มกระสูกปัญหาปัญหาก็แตกออกตรงนั้นแหละไม่ได้รู้ลงหน้าไม่ได้คิดอะไรทั้งวันทั้งคืนนะครับที่จริงท่านจะเคลมมนก็ได้นะว่าท่านรู้ออกมาลงหน้าเปล่ามันเขาก็เชื่ออยู่แล้วครับแต่ท่านมีเกียรติผมว่าบรรดาศา ส, สดาทั้งหลายมีองค์หนึ่งที่เปียมมาด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ครอบงำเพื่อนเหมนือนเมื่อครั้งท่านสอนเขาก็ไม่เชื่อถ้าบอกงั้นก็พักก่อน การามสูตรจะยืนยันได้ดีที่สุดข้อสุดท้ายไม่ให้เชื่อแม้แต่ครูรวมทั้งตัวท่านด้วยเป็นคนที่ให้เกียรติให้อสิสรภาพแก่กมวลมนุษย์มากที่สุดพระองค์หนึ่งเท่าที่โลกเคยมีครับแล้วความกรุณามา้างวางท่านนั้นก็เกิดจากการบันญัตธรรมะที่หลายหมวดหลายหมู่เพื่อเหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละคนคนบางคนนี่เขาต้องการบางกรรมฐานบางสิ่งบางอย่าง นั้นพุทธศาสนาในกลางมันล้มไม้ซึ่ ง, งมีความหลากหลายอยู่ในตัวมันเองอย่าตกใจนะครับว่าบางมีกายสอนตรงข้ามกับเราต้องต่สวนทวนความจนชัดเจนนะครับแต่ทวนความเฉพาะที่ผิวเปลือกผิวหน้าก็ไม่ได้ครับผมมักจะได้ยินผู้ที่ศึกษาเรื่องวัชรยา น, ต, นตระผิวเผินชอบด่าชอบประนามนะครับเพราเช่นเดียวกับที่ชาวพุทธที่ไม่รอบรู้ด่าพวกพรามณ ต่างๆกันะที่จริงพระเจ้าท่านไม่ได้ด่าบพรามท่านสนเสริญพรามเลยทานแล้วทาเรียกพระอาหารหันต์ท่านเป็นพราหม์ที่แท้จริงเลยท่านไม่ดังนั้นเราเราด่วนได้ไม่ได้ครับถ้าหากวาเราด่วนได้แล้วแยกแยะปีความเพื่อเพื่อลดเครดิตของนิกายอื่นชื่อเราขาดเมตตากรุณานี่เป็นสิ่งสําคัญและขาดมนุษยธรรมด้วยครับชาวพุทธที่ดีนั้นคือชาวพุทธที่ ผมเอ่ยขึ้นเพราะว่ามีคนมาเชักชวนให้เซ็นชื่อเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญนะเป็นเมืองคุทเลยผมจะไม่เซ็นครับผมรู้สึกเป็นควผิดมหันน์ี่เซ็นกข้าไปผมเห็นด้วยว่าภัยศาสนานี่มีการถูกลุกรานนั้นมีแต่ชาพุทธต้องรับมือด้วยวิธีทางปัญญาไม่ใช่ด้วยวิธีทางการใช้อำนาจรัฐทำอย่างนั้นไม่ได้ครับพระเจ้าโศกครั้งอดีตซึ่งเคย พระ ด, ดุงพุทธศาสนานั้นก็เคยดำเนินนโยบายในการปกครองรัฐจักรวรรดิของท่านโดยการตัวท่านเองแม้จะเป็นพุทธที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระธรรมจารยนะแต่ว่าให้การอุปถัมภ์ข้าจุนทุกลทิทิทุกนิกายครับในฐานะเป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ต่างระดับมีคำถามอยีกหรอาครับ ังอาจารย์มาทั้งหมดเลยนะคะมีข้อสงสัยที่อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้นะคะ